ท่นฝั่งที่ครพคะละนี่ก็มาเป็นช่วงเวลาของพระเพบรบุญอภิปุนโนกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาทั้งหมดของรายการสัมสนิาสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้ค่ะน้มสักการกันทั้งคะเชิญพานค่ะท่านเพบรบุญที่อุดรที่ท่านวัยเย็นลงแล้วเนี่ยที่นั่นถึงขนาดที่ลูกเห็บตกบ่อยไหมคะตั้งแต่จะมามาอยู่ที่นี่ก็มีครั้งเดียว มีครั้งหนึ่งแต่ว่าน้อยมาก<พ>เป็นแบบสะเก็ดเล็กๆเ <c oughs> พราะเหตุบอกที่ดอยอินทนนท์เนี่ยลูกเห็ดตกแล้วอจริงๆตอนที่รัฐบาลสั่ง อ, อพยพหลังจากดีฉันได้เข้าไปช่วยอยู่ในสปปอยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ที่เดินทางไม่สะดวกเพราะว่าน้ำท่วมที่โน่นก็ได้ขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์เหมือนกะคะ<อ>ไปตอนนั้นขนาดว่าที่พื้นราบยังร้อนๆอยู่เนี่ยข้างบนก็เย็นแล้วค่ะเย็นมากด้วยเย็นถึงหนาวเลยอะค่ะค่ะ ท่านคะพูดถึงในรายการของเราเนี่ยจะว่าไปก็มีโอกาสได้ไปร่วมคณะกับทางสถานีโทรทัศน์ช่องสามเนี่นะคะไปช่วยคนน้ำท่วมวันก่อนนี้ฉันไปที่วัดชื่อวัดไทยเจริญอยู่ที่ข้ามสะพานพระรามห้าไปนะคะไปเห็นแล้วก็เป็นภาพที่น่าแม้มันน่าเห็นใจเพื่อนมนุษย์เลยค่ะต่างคนต่างก็มาโดยเรือ แล้วก็พระสงค์นี่ก็เดือดร้อนนะะี่ค่มท่านก็ภายเรือมาลำเดียวเพื่อที่จะมารับของที่มาถวายเอาไว้ไปเป็นหลักช่วยคนอื่นแล้ที่แยก่กว่านั้นก็คือมีการไปพบว่ามีพวกที่ไม่มีเรือหรือว่าไม่สะดวกอายุมากแล้วออกมาไม่ได้อยู่ในบ้านที่น้ำท่วมเกือบมิดศรีรษะค่ ะ, คะก็เป็นเรื่องที่อย่างไรเสีย น้ำท่วมมันก็นคงจะอ้อยอิง อ, อ้อยอิง อ, อ, อ, อ, อยู่อีกสักระยะหนึ่งนะคะกว่าจะจากไป <c oughs> คุณโยมติ๋วมามีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งอย่างตอนที่คุณโยมติ๋วเห็นภาพนั้นๆเนี่ยแล้วมีความรู้สึกโอ้โหเป็นภาพที่น่าเห็นใจจริงๆเลยเนี่ยนับวินาทีตรงนั้นนะจุดนั้นเนี่ยนะจิตของคุณโยมติ๋วเนี่ยมีสติมีสติในการที่เราจะระลึกถึงความดีนี่เหรอมาคือเป็นจิตแบบนั้นเนี่ยเราทําให้ได้ตลอดทุกวินาทีทุกวันจนกว่าเราจะ มวยมอดมุ้ยมรณาไปจะดีมากๆเลยจิตแบบนั้นนะนะคะอะพูดถึงดีฉันก็ว่ามันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราเป็นมนุษย์เนี่ยออืมันธรรมดามั้ยคะหรือว่าไม่อะ่ะนั่นเป็นจิตพิเศษละเอเป็นจิตที่เราจะต้องทําให้เจริญพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นั่นคือมักเป็นสิ่งที่ทําให้เจริญต้องทำบ่อยๆ อ, ยอืนั่นนั่นคือเรื่องของมีสติละละการที่เราเห็นใครแล้วเราเกิดความรู้สึก เห็นอกเห็นใจในความเดือดร้อนของเขาใช่ต้องทําให้เจริญคือคือมันไม่ได้เป็นสติตรงๆอ่ะหมายความว่าจิตนั้นเนี่ยมีสติอยู่นะทําให้การตอบสนองเป็นมโนกรรมของเราเนี่ยมโนสังขารของเราเนี่ยออกมาในการเป็นความเห็นอกเห็นใจค่ ะ, ะท่านเขาเแล้วสมมุติว่าการร้องไห้ของมนุษย์เนี่ยล่ะคะก็ร้องไห้ด้วยเพราะอะไรละ่ะเออคือมันคือที่ฉันกำลังจะพูดว่าเหมือนกับเวลาเห็นคนมีความทุกข์เนี่ย เชื่อว่ามนุษย์ทั่วไปธรรมดาธรรมดามันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสลดสังเวชเห็นใจบางคนทนไม่ได้น้ำตาไหลน้ำตาซึมมีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องน้ำตานายกถ้าเป็นผู้ชายก็น้ำตาของคุณตันอะไรเงี้ยนะคะคุณตันเจ้าของชายีหอดังหรือว่ารัฐมนตรี <laughs> พาณิชย์ใสนินนคมอุตสาหกรรมที่น้าท่วมสงสารผู้ประกอบการ น้ำตาเ <Ừ. S 1> นี่ยมันคืออะไรนนะในทางธรรมะน้ำตาในความหมายของพุทธเจ้านะค่ ะ, ะคือ ม, มีเคยพูดถึงอันหนึ่งว่าการร้องไห้มันคือการหัวเราะที่เอิกอ ก, อกจนมีเสียงดังเนี่ยสำหรับภิกษุเนี่ยคือการร้องไห้แล้วก็พูดถึงน้ำตาในในยะที่ว่าถ้าเราเจอความทุกข์อย่างเงี้ยแล้วเราร้องไห้นะเราเห็นความทุกข์ของคนอื่นหรือ ความทุกข์ของเราเองกันแล้วร้องไห้คุณเอาน้ําตานั้นเก็บไว้เก็บไว้ชาตินี้เก็บไว้เหตุการณ์น้าท่วมนี้เก็บไว้ได้สักขันหนึ่งไหมหรือได้สักทักถังหนึ่งไหม<ช>มันคงยากมากนะคุณยมติว่วาน้ําตาที่เราเก็บไว้สมมุติว่า1หยดเนี่ยเท่กากับ1ชาตินั้นเราเก็บไว้เก็บไว้จนกระทั่งมันเท่ากับน้ําทะเลในมหาส ม, มุทรทั้ง4คุณยมติู้รู้ไหมว่าน้ําไอ้น้นําที่มันท่วมบ้านเราอยู่เนี่ยนะมันยังน้อยกว่าน้ําที่ท่วม เหตุการณ์นี้ทั้งหมดเป็นหมื่นหล้านลูกบาทเมตรถูกไหมน้ําในบ้านเรานี้อาจจะแค่ไม่กี่ไม่กี่ลูกบาทเมตรซึ่งน้ําทั้งหมดนี้ยังไงมันก็ยังน้อยกว่าน้ํำในแม่น้ำท่าจีแม่น้ําคงแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ําบางปะกงรวมกันซึ่งทั้งหมดนั้นก็ยังน้อยกว่าน้ําในอ่าวไทยซึ่งน้ําในอ่าวไทยก็ยังน้อยกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้ง4แล้วคุณนับไปทีละหยดนะเอาเนี่ยเอาไอ้ตัวหยดหยดเนี่ยมาหยดทีละหยดละหยดจนกระทั่งมันเต็มมหาสมุทรทั้ง4ขึ้นมา โอ้โหนี่คือจำนวนชาติที่เราจะต้องไปเกิดอีกแถ้าคิดเท่านี้เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะต้องมาทุกอีกต่อไปแล้วจะเป็นผู้ที่มีความเบื่อหน่ายใครกำหนัดหลุดพ้นได้ปล่อยวางได้เท่ากับว่าถ้าอุปมาของพระพุทธองค์เนี่ยคือเราจะเกิดถ้านะเป็นหยดๆๆนี่เกิดเป็นมหาสมุทรทั้ง4ี่เลยอย่างนี้หรอโอ้นับไม่ถ่วนเลยคุณยมติวในกรณีที่ถ้าเราหาทางออกจากวัตฏะ ไม่ได้ว่ายตายเกิดไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเห็นน้ําตาของใครเห็นน้ําตานายกเห็นน้ําตารัฐมนตรีเห็นน้านาํนนตานนตาประชาชนโอ้ยอาตมาจะมีความเอเออก็เรียกว่าเบื่อหน่ายคลายกําหนัดปล่อยวางซะอ่เอาเราควรจะต้องรู้อย่างนี้นะเราอาจจะน้ําตาไหลกับเขาด้วยหรืออาจจะไม่น้ําตาไหลกับเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตเราปล่อยวางได้เพราะอาศัยความคลายกำหนัดเพราะอาศัยความเบื่อหน่ายในสังสารวัตนั่นแหละแม่ ดีมากๆเลยค่ะคือก็เท่ากับว่าท่านไม่ได้อบอกว่าในความหมายของพระพุทธองค์นั้นน้ําตาคืออะไรแต่พูดถึงว่าพระพุทธองค์อุปมาณ้ําตาไว้น่าจะมาสนใจในสิ่งที่เป็นสาระอย่างนี้มากกว่า <c oughs> คือการอุปมาอุปไมยกับน้ําตาของพระพุทธองค์ถูกไหมคะใช่คือโดยส่วนตัวมาที่คน้นค้นมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าบอกว่า ร้องไห้แล้วมันจะปิดอาบัติไหมหรือว่าร้องไห้แล้วห้ามร้องหรือร้องแล้วเป็นยังไงก็ไม่ได้พูดถึงแล้วก็จะมีคําสอนในเรื่องของเป็นธรรมะซะมากกว่าที่เกี่ยวกับ<ะ>น้ําตาค่ะก็ดีนะคะมีประโยชน์มากคืออย่างน้อยก็ทําให้เราเห็นว่าเวลาเราร้องไห้เองเห็นใครร้องไห้เนี่ยเออพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้นะเนี่ยนะโยชน์เดียวของน้ําตาเนี่ยเป็ น, นชาติหนึ่งของการเกิดของเราอเที่ต้องไปถมจนกว่าจะเต็มสีมาหาสมุทรชาติเดียวไปแยกแล้ว บางคนนี <Bun> ่นะคะค่ะเราไม่เคยเห็นน้ําที่มันมากขนาดนี้นะอย่างอย่างเราเมื่อก่อนอยู่ก็กอยู่ใกล้น้ oh ําแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยน้ํามันโอ้ไปเร็วมากเลยเร็วมากจนกระทั่งโอ้เราน่ากลัวเลยค่ะน้ํามากขนาดนี้นะตายแล้วท่านไปบุญค่ะแต่ฉันคิดว่าอย่างนี้นะคะอคนบางคนที่รู้รสชาติของความทุกข์บนโลกใบเนี้ยคือบางทีเนี่ยรวมๆกันแล้วก็ไม่รู้นะครับว่า พอมันมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งมันก็เพลินมันลืมละแต่สมมุติในยามปวดท้องไม่ต้องเป็นโรคร้ายแรงเลยนะคะแบบเวลาโอ้โหมันปวดมันเข็นแทงเหมือนบาดในท้องอะไรมากๆเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าคนก็คิดว่าเฮ้ยพอแล้วฉันไม่อยากมีอาการแบบนี้อีกบางคนบอกว่าปวดทรมานเนี่ตายซะเลยดีกว่าเอาแค่สองหยดก็พอเหมอนข้นน้ําตาเอาแค่สชาติก็พอเพราะนั้นจึงถ้าเราเห็นนะเรามีความร้องไห้เกิดขึ้นเราเห็นคุณร้องไห้นะแสดงว่าคุณเนี่ย คุณเนี่ยนะมีความสามารถพอนะที่จะเป็นโสดาบัลได้ในชาตินี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเห็นความทุกข์นี่ถ้าคุณเห็นความทุกข์เนี่ยความคือความทุกข์มันเกิดจากความไม่เที่ยงใช่ไหมแสดงว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงมาก่อนว่าโอ้โหไอ้ทราที่เราสร้างมามันไม่มีเลยหรือว่าที่มันคิดไม่คิดว่าจะโดนกลับโดนจนเห็นความทุกข์นะแล้วคุณร้องให้นะนิ่งนิ่งนิ่ยินดีด้วยคุณมีคุณสมบัติพอแล้วที่จะเป็นโสดาบัลอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบัล <ไ>ประโยชน์ของความทุกข์เลยท่านเนี่ยก็คือหมายความว่าเวกับคองไงอนาฬิกาปลุกท่านผ่อนคะ <laughs> เข้าท่ามากเลยนะคะอีหน่อยเราจะได้ไม่กลัวบางคนบอกว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากทําอย่างงี้ฉันไม่อยากร้องไห้แบบคนนั้นอืบางทีร้องไห้มันอาจจะดีเหมือนกัน ม, มันเป็นนาฬิกาปลุกอย่างงั้นใช่ไหมคะใช่ก็จะ บ, บางทีปลุกแรงไปหน่อย <laughs> มันจะมีนาฬิกาแบบหนึ่งกุญยมติ๋วที่มันจะค่อยๆดังนะจากเบาๆใช่ไหม ถ้าคุณ <Okay. S 1> ไม่รีบกดฉันเนี่ยมันจะดังขึ้นมาอีกไม่รีบกดฉันฉันจะดังขึ้นอีกดังขึ้นจนกระทั่งเตียงสัน่นหรือว่าแป่นดินไหวอย่างไี้ไปเลยนะต้อง <Okay. S 1> เป็นประมาณนั้นไปเลย <c oughs> คือมันจะไปดังอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายในยตอนที่เราใกล้จะตาย <c oughs> ตอนที่เราจะตายแล้วคุณยมติยว <Okay. S 1> มันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันมีจิตที่เป็นลักษณะคนใกล้จะตายเนี่ยมันมันมันมั น, มนห้ามไม่ได้แล้วจังหวะนั้นนะ่ะคุณจะทํำยังไง <c oughs> นั่นคือเวกับคอรครั้งสุดท้ายค่ะ โออันนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ดิฉันเองบางครั้งเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกคนที่เขามีความทุกข์มากๆเนี่ยเขาคงแย่จริงจดิฉันยกตัวอย่างกลับไปในวันที่ไปช่วยน้ําท่วมอีสักครั้งนะคะ uh huh. พวกเราก็ต้องอาศัยรถทหารไปใช่ไหมคะซึ่งเป็นรถยีเอมซแล้วเป็นรุ่นที่ผ่านน้าท่วมมาหลายวันเขาก็เลยเตรียมมาดียกท่อไอเสียขึ้นสูงมาก สูงมาอยู่ในระดับจมูกของพวกเราที่นั่งท้ายพอดีแล้วลองคิดดูว่าเราต้องนั่งรถติดๆอยู่เนี่ยหลายชั่วโมงมากหรืทั้งคะคนอื่นเป็นยังไงดิฉันพอจะเดาได้ว่าเขาไม่มีความสุขแต่ว่าอาการที่เรารับรู้คือตัวเราเองรู้สึกอีกนิดนึงจะทนไม่ได้แล้วนะอีกนิดนึงจะทนไม่ได้แล้วนะแต่สุดท้ายมันก็ทนมาได้นะคะคือก็ฟันฝ่ากับความทุกข์นั้นมาอืมก็จิตตรงนี้เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นจิตของคนที่มีอ่า พระพุทธาบอกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกคือคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนคือเราเห็นเขามีความทุกข์ใช่ไหมเรามีความประสงค์ที่จะอุปการะเขาเนี่ยอันนี้คือบุปการีและเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกแต่อตอนนี้าหาง่ายเหมือนกันนะคะท่าน นับท่วมเนี่ยทำให้มีบุพการีเกิดขึ้นจำนวนมาเลยค่ะแต่ในเมืองไทยก็ใช่ใช่เ<ะ>มืองไทยยังดียังมีคําสอนพระเจ้าที่ถูกต้องอยู่ยังมีกลุ่มคนที่มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นพุทธวจนะอยู่<ะ>เพราะฉะนั้นจึงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญทําใหเออ้เมื่อเวลามีเวกับคอลมีอะไรมาเตือนอย่างเงี้ยอย่างภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยทาให้เราเห็นทุกเราจึงเร่งทําความดีกันทุกคนช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีต้องถูกต้องต้องทําอย่างนี้นะคะก็ขอให้รู้ว่า ในความทุกข์ของคนเราไม่ว่าจะแสดงออกด้วยอะไรก็แล้วแต่ขอให้เอามาเป็นอนุสติถ้าเป็นภาษาพระภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรคะขอให้มาเป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติ อ, อ๋อให้มาเป็ น, ปนออความทุกข์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นธรรมะได้ไงค่ะนะคะก็อย่าไปกลัวมันอย่างนั้นหรือเปล่าคะให้เห็นตามที่เป็นจริง อ่าคือเห็นทุกแง่มุมของเขาถ้าเห็น ท, ทุกแง่มุมเราจะไม่กลัวท่านอาคะเมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าเนี่ยแสดงว่าได้เห็นอ น, นิจจังแล้วถึงได้เห็นความทุกเป็นทุกกรณีไหมคะที่สมมุติว่าเรารู้ทุกเนี่ยแปล ว, ว่านั่นแหละก่อนหน้านั้นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามทีผ่านขั้นตอนของอ น, นิจจังมาแล้วอันนี้พูดถึงคนที่ร้องไห้ถูกไหมทั้งร้องไห้แล้วทั้งมีความทุกอย่างอื่นค่ะท่านอาจอ๋อใช่แน่นอนเพราะว่าการที่เขารู้สึกทุกเนี่ยแสดงว่า เขาได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือมันมันเห็นกระตาเลยคุณยมติว๋วไอ้ที่มันไม่เปียกมันกลายมาเปียกเครื่องจักรเราซื้อมามันถูกท่วมไปแล้วคอมพิวเตอร์น้ำท่วมทีวีทาไมไปกินน้ําอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมันเห็นชัดๆเลยว่าโอ้ตายละแต่จะปล่อยวางได้หรือไม่นะอีกเรื่องหนึ่งน ะ, ะถ้าปล่อยวางได้คุณเป็นโสดาบันงั้นก็เท่ากับว่าทุกคราวที่สมมุติว่ า, าเราปวดศีรษะ เราปวดท้องเราไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดความไม่เที่ยงจากที่เคยสบายดีอยู่มาเป็นไม่สบายด้วยถูกต้องคุณจะเห็นความไม่เที่ยงแล้วค่ะแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะปล่อยวางได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นกลับเรียนท่านอาจารย์นะคะเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะถ้าไม่ชี้ให้เห็นบางทีเราไม่รู้นะคะว่าที่เรามีความทุกข์น่ยเพราะเราเห็นอานิจจังเห็นความไม่เที่ยงแล้วแต่จริงๆแล้วเราเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ได้ ขารียกว่าพิสูตรทฤษฎีผู้เทธเจ้าแน่นอนพิสูตรความจริงที่พระเจ้าบอกค่ะนะคะถ้าไม่ชี้บางทีไม่เห็นแต่เป็นอยู่ใช่าจะามาที่แสดงธรรมมาตั้งแต่จมาในร า, รายการเนี่ยเราพยายามจะบอกจะบอกคือชี้ตรงนี้อยู่ที่นี่อีกคนหนึ่งไปหาที่อื่นเดี๋ยวไปหาที่ระบบการปกครองไปหาที่โทษคนอื่นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้สีนั้นสีนี้มันไม่ใช่อยู่ที่นี่นี่นี น, นี่อยู่ตรงนี้อย่างนี้นะ อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่รายการสัสนีสฐทนเลยคะเอออยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นไกใจของเราอยู่ที่จิตของเราอีู่ที่ตัวท่านเองค่ะนะคะนี่ก็เอาให้แค่นี้ก่อนดีไหมคะวันนี้พระคะก็นมรสารขอับพระคุณสําหรับท่านเพริบุญอภิปุโนจากวัตป่าดอนหายโศอุดรธานีที่ได้เมตตามาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัจนะให้กับเราค่ะนมรสมรกรนะคะจรริพานกท่านฟังที่พระค่ะสําหรับคําถามที่จะส่งไปหาท่านเพริบุญเนี่ย ท่านก็เปิดรับโดยตลอดนะคะที่เพียวธรรมะ .com/ 1 0 6่งศน์ดินเองนานๆครั้งก็ได้เปิดไปดูที่เว็บไซต์ของท่านนี่เหมือนกันนะคะก็ได้พบว่ามีการตอบปัญหาธรรมะหรือว่าแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์กับพวกเราซึ่งสามารถจะดึงนำออกมาใช้ได้เลยท่านมีความรักใครปรารถนาดีจะให้เขาได้ธรรมะอย่างเงี้ย น, นะคะก็สามารถจะดึงแล้วก็ส่งไปทางอินเทอร์เน็ตให้ได้เลย ที่เดียวกันนั้นก็ส่งคำถามไปได้เช่นเดียวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะแจ้งให้เพียวธรรมะเพียวที่แปลว่าบริสุทธิ์นะคะ p u r e ธรรมะก็ d h a m a m a, m a ธรรมะนะคะ com slash หหรือถ้าท่านยังไม่สะดวกในการใช้เทคโนโ ล, โลยีท่านยังใช้โทรศัพท์คล่องกว่าก็โทรมาที่ 02-269-006 ทิ้งคำถามไว้ที่นี่กับสามารถขอหนังสือ พุทธว จ, จะนะไปศึกษานะคะชีวิตเดียวก็เกินคุ้มแล้วแล้วตอนนี้ยหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะก็มีพระอาจารย์คือคริโสโตทิพโลแห่งวัดนาป่าพงลำลู ก, กาคลองสิท่านลูกศิษย์ลูกหาช่วยันทําไว้ก็มามอบให้กับพวกเราสัปดาห์หนึ่งก็มีสิบห้าเล่มนะคะวันละสามเล่มวันนี้ลากันไปเท่านี้นะคะขอให้นําความรู้ที่ท่านได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันเชื่อเถอะค่ะว่า พุททวัจนะนั้นทำให้ชีวิตทุกท่านสวัสดีได้วันนี้พุททวัสวัสดีค่ะ